ซึ่งก็เป็นนิกายใหญ่ น, นิกายหนึ่งในประเทศเกาหลีอายุก็สัก60กว่า60นิดหน่อยใกล้ๆตามมาตัมามาก็รู้จักท่านมาห0กยิบปีแล้วนะเพราะประชุมร่วมกันอยู่ บ, บ่อยๆในเมืองไทยนะแต่ก็ยังไม่เคยได้ฟังธรรมของท่านในบรรดาพระเกาหลีนะท่านพอมยุนนี่เรียกว่า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 เป็นพันๆ น, นะเกาหลีซึ่งเป็นคนนิยมดาราพวกเคป๊อปต่างๆเนี่ยแต่ว่ากับท่าน้ อ, อมยุนนี่เขาาก็สนใจเหมือนกันนะคนหนุ่มสาวนราก็ได้รับหนวนไปพูดไปแสดงบนันทำเนี่ยในประเทศต่างๆที่มีชุมชนเกาหลีอยู่เนี่ยเยอะมากองค์กรที่ท่านตั้งเนี่ยก็ทำงานกระฉับกระเฉงมากนะ มีสาขาทั่วประเทศแล้วคนที่มาทำงานก็โดยหละกจะเป็นคนที่ศรัทธาในตัวท่านสละงานนะสละอาชีพมากบางน้อยบ้างอาจจะครึ่งปีหนึ่งปีหรือว่าอาจจะสละยาวเลยมาทำงานให้กับหน่วยงานของท่านซึ่งก็ทำเรื่องหลายอย่างนะเรื่องธรรมะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสันติภาพนะ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 พระเองเนี่ยก็มีเมียได้นะท่านว่าเนี่ยประมาณตั้งสของพระในเกาหลีที่โสดนะก็คือถือพมจันทร์อีก 90% เนต์แก็มีเมียอันนี้คงได้ที่เพิผนมาจากญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเคยยึดครองเกาหลีแล้วก็พระญี่ปุ่นไม่ว่ารัฐที่นิกายใดเนี่ยเขาก็มีเมียตั้งแต่สมัยรัชชงเมจินะรัวชวงเมจินี่ก็คือประมาณสมัยรัชการที่5 ซึ่งมีการปฏิรูปประเทศเขาก็เหมือนกับว่ามีมีวิธีการมีมาตรการที่จะบีบบังคับให้พระต้องมีมเมียอันนี้มอนก็เลยหนะาพระที่ถือพรหมจรรย์ยากในญี่ปุ่นนะแต่ที่เขาเหลือเหมือนกันนะแต่ว่ามากกว่านะที่ถือพรหมจรรย์มากกว่าสิปร์เซ็นก็ถือว่าเยอะนะเมื่อเทีกญี่ปุ่นนะ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 เฉยจี้ที่ไต้หวันเนี่ยน่าสนใจยังไงเนี่ยสมาคมจุงโตที่เกาหลีน่าสนใจกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยไปดูงานที่มุนี่เฉยจี้เนี่ยเป็นหมื่นแล้วนะประเทศไต้หวนันฉฉยจีนี้เขาก็น่าน่าศรัทธามากนะผู้ก่อตั้งแล้วก็แกนนําก็เป็นพุกษุนีแล้วก็มีพุกธสุนีอยู่ประมาณไม่มากนะสิบยี่คนยี่สบยีรูป แต่ว่าสามารถจะคุมหรือว่าจัดการเป็นเป็นแกนนำของมูลนิธิเฉยเจซึ่งมีสมาชิกเป็นล้านนะประมาณว่าห้าล้านคนได้หรือประมาณย0หรือ 25% ปของประชากรไต้หวันจุงโตนี่ก็เหมือนกันนะก็มีคนศรัทธายเยอะและที่น่าสนใจนันคือว่า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 ติดเกมออนไลน์พ่อก็โกรธแม่ก็โกรธอยากจะต่อว่าลูกนะแต่ก็รว่าต่อว่าไม่ดีแล้วจะทำยังไงท่านก็ให้คนที่ถามนี่ยคือพ่อแม่กลับมาดูใจเราเนี่ยวันที่เราทุกเพราะว่ารูกไม่เป็นไปตามใจเราใช่หรือเปล่าเราทำเนี่ยเรา อ, อยากจะว่าลูกเนี่ยเพราะตัวเราเพราะความคิดของเรามากกว่าเพราะว่าปรารถนาติดต่อลูกหรือเปล่าเนี่ย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 แล้วก็ก็ไม่ได้เที่ยวเตะ อ, อะไรแต่พอลูกเริ่มมีแฟนขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์แม่ก็ทุกข์ละทุกพ่ออะไรทุกเพราะว่าลูกเนี่ยเริ่มเหินห่างแม่นะไปอยู่ใกล้แฟนไปให้เวลากับแฟนมากกว่าแค่นี้ก็ทุกข์ลวทุกเพราะน้อยใจนะทั้งที่มันก็เป็นธรรมดา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 แต่สิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญมากก็คือมีความสุขมากกว่า น, นี่เราก็ต้องถามตัวเราเองนะเออเราบวชมาเนี่ยเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไหมจากก่อนตอนก่อนบวชแตที่จริงความสุขนั่นแหละจะช่วยหล่อเลี้ยงให้เราสามารถจะดำรงชีพปรมจันหรือว่าดำรงชีพนักบวชที่เรียบง่ายได้ในเมื่อเราไม่มีความสุขจากวัตถุมาเป็นเครื่องอานวยความสะดวกสบายกับเรา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 คือเป็นไม้ที่ไม่ใช้ช้ปรยนอะไรไม่ได้เลยไม้ที่ปลายเป็นปลายเป็นฐานเนี่ยนะมันก็เอาไปเผาอะไรไม่ได้ลนะตรงกลางที่มันไม่เป็นฐานแต่มันก็เปื่อนขี้ใช้ประโยชน์ อ, อะไรไม่ได้เลยอันนี้พระเจ้าตัดเหมือนเหมือนหนมายถึงพระที่ความสุขทางกามก็ปฏิเสธจึงมาบวชส่วนความสุขทางใจก็ไม่มีนะอย่างน้อยนต้องมีสักอย่างหนึ่งนะอย่างคารวะเนี่ย ก็มีความสุขทางกามน ะ, ะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ยอมลำบากในะการรรมาหากินช่วยคารวานี่ลำบากนะทำมหากินต้องตื่นแต่เช้าต้องอสู้รบตบนมือของาระทั้งหลายแต่ว่าก็มีความสุขทางการเนะี่ยช่วยหล่อเลี้ยงไปวั น, ว, นวันหนึ่งส่วนพระนี่นะเรามีสิ่งที่ดีกว่านะคือความสุขทางใจในเมื่อความสุขทางกามเราไม่เอาละนะ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 เาชานี้กกรเทียมดนะเอากราบห